ตอนที่สามช่วยชีวิตชายคนหนึ่งเอาไว้ได้ลีชิงผิงเพ่งมองดูให้ดีแล้วก็พบว่าเป็นเช่นนั้นจริงๆอย่างไรก็ตามลีชิงผิงยังคงลอบสำรวจไปรอบๆด้วยความระแวดระวังในวันฝนตกเช่นนี้ไม่ค่อยมีใครเข้ามาในป่าแล้วคนผู้นี้จะเป็นใครกันลีชิงผิงเดินตามหลีหวานเข้าไปดูใกล้ๆพบว่าเป็นชายคนหนึ่งซึ่งหมดสติไปแล้วแม่จะเขาบาดเจ็บพวกเราต้องช่วยเขานะหวานเอ๋อรูกรู้ได้อย่างไรว่าที่นี่จะมีลีชิงผิงอดไม่ได้ที่จะรู้สึกสงสยัย แม่จะอย่าเพิ่งถามเลยช่วยคนสำคัญกว่าหนูเองก็ไม่อยากตากฝนแล้วรีบไปกันเถอะจ้ะสองแม่ลูกพยายามช่วยกันพยุมชายที่หมดสติผู้นั้นขึ้นมาแล้วพากันเดินทุลักทุเลนำตัวเขากลับไปที่บ้านตามที่ในหนังสือเขียนไว้ภารกิจที่โจเจียนเยี่ยปฏิบัติในครั้งนี้ค่อนข้างเป็นความลับและอันตราย ผู้ร่วมปฏิบัติภารากิจหลายคนต่างได้รับบาดเจ็บและสูญหายโจจียนเย่ยโชคดีที่ได้รับความช่วยเหลือและกลับเข้ากรมได้สำเร็จจนได้รับความดีความชอบชั้นสองและเลื่อนตำแหน่งเป็นรองผู้พันส่วนคนอื่นๆต่างสละชีพในหน้าที่ทั้งหมดในหนังสือเคยกล่าวถึงสั้นๆในภายหลังว่ามีรองผู้พันที่ได้รับบาดเจ็บคนหนึ่งหลังจากบาดเจ็บแล้วได้หลบหนีการตามล่าและตำแหน่งสุดท้ายที่หายตัวไปก็คือบริเวณแถวนี้นั่นคือเหตุผลที่หลีหวัดลองมาดูและนึกไม่ถึงเลยว่าจะได้พบเขาจริงๆ เมื่อกลับถึงบ้านพวกนางจัดแจงให้ชายที่หมดสติพักอยู่ในห้องว่างแต่เขาก็ยังไม่ฟื้นในเวลานี้ทั้งสามคนต่างเปืเป้อนไปด้วยโคลนและน้ำหลีชิงผิงและลูกสาวสามารถเปลี่ยนเสื้อผ้าเองได้แต่ผู้ชายคนนี้จะเปลี่ยนอย่างไรแม่จะหรือจะไปตามคุณอาบ้านใกล้เรือนเคีย ม, มาช่วยดีไหมหลีหวานแซงถามไม่ได้หรอกหลีชิงผิงสายหน้า เขาใส่ชุดเครื่องแบบทหารแถมตามตัวยังมีบาดแผลจากปืนหากเขากำลังปฏิบัติภารกิจลับยิ่งมีคนรู้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งอันตรายมากเท่านั้นให้แม่ทำเองเถอวันเอลูกไปต้มน้ำร้อนมาหน่อยนะหลีชิงพิงเริ่มเปลี่ยนเสื้อผ้าที่แห้งสะอาดให้กับชายผู้นั้นซึ่งเป็นเสื้อผ้าเก่าของโจจี้นเย่ส่วนหลีหวานก็ไปต้มน้ำตามคำสั่งเมื่อเห็นความใจเย็นและเด็ดขาดของแม่หลีหวานก็รู้สึกวางใจแม้แม่ราคาถูกคนนี้จะถูกตระกูลโจกดขี่และทรมานมามาก แต่สติปัญญาและไหวพริบไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยหลีหวานจึงเบาใจไปได้มากหลังจากเช็ดล้างคราบสบกปรกออกจนหมดบาดแผลบนตัวของชายผู้นั้นก็ปรากฏให้เห็นเป็นไปตามคาดมันคือบาดแผลจากปืนมีบาดแผลจากกระสุนปืนในระดับที่แตกต่างกันไปทั้งที่หัวไหล่น้องและแขนแม้จุดที่บาดเจ็บจะไม่ใช่จุดสําคัญแต่บางแผลยังมองเห็นหัวกระสุนฝังอยู่จําเป็นต้องนําสิ่งเหล่านั้นออกมา ลีชิงพิงเริ่มลำบากใจนางไม่มีความรู้ทางการแพทย์จึงไม่รู้วิธีจัดการหลังจากหลีหวานสังเกตอย่างละเอียดนางก็เอ่ยด้วยน้ำเสียงหนักแน่นว่าแม่จะพวกเราจะรักษาให้เขาเองหาลีชิงพิงถึงกับอึ้งไปจริงๆ จ, จะรักษาอย่างไรอมิทำครวมาก่อนจะแล้วก็ฆ่าเชื้อด้วย วิธีฆ่าเชื้อที่ง่ายที่สุดคือการใช้ไฟหลนหลีหวานถือมีดเล่มเล็กไว้ในมือท่ามกลางสายตาที่ตกตะลึงของหลีชิงผิงนางลงมือขุดหัวกระสุนออกมาโดยตรงเนื้อหนางถูกเปิดออกเลือดไหลซึมออกมาจากบาดแผลชายผู้นั้นครางฮึดฮัดด้วยความเจ็บปวดหลีหวานจึงสั่งให้แม่ช่วยกดตัวเขาไว้หลีชิงผิงรีบผ่านรับซ้ำนางแทบจะไม่กล้ามองด้วยซ้ำเพราะมันดูเจ็บปวดเหลือเกินทุกครั้งที่หลีหว่านลงมีดนางจะทำอย่างรวดเร็วและเฉียบขาดเพราะหากนางทำช้าชายผู้นี้ก็จะยิ่งทรมานมากขึ้น หัวกระสุนอีก2จุดนําออกมาได้ง่ายแต่ที่น้องนั้นดูเหมือนจะฝังเข้าไปในกระดูกโดยตรงหลีหวานงัดไม่ออกจึงต้องให้หลีชิงผิงช่วยออกแรงถึงจะงัดออกมาได้หลังจากผ่านเหตุการณ์นี้ไปชายผู้นั้นก็สลบไปอีกครั้งแม่จะช่วยเช็ดตัวให้เขาหน่อยแล้วก็พอกยาไว้จากนั้นใช้ผ้าก๊อซพันแผลเพื่อป้องกันไม่ให้แผลสกรปรกจนติดเชื้อ น, นะจ๊ะหลังจากสองแม่ลูกจัดการเรื่องเหล่านี้เสร็จหลีหวานก็ป้อนน้าสมุนไพรแก้ปักอักเสบให้ใชายผู้นั้นทั้งสองจึงพอมีเวลานั่งพักผ่อน แม่จะตอบไปพวกเราจะทำอย่างไรดีหลีหวานถามขึ้นกับทันหันหลีชิงผิงชะงักไปตอนที่อย่าร้างและแยกบ้านกันวันนี้สายตาที่คุณย่ามองพวกเรามันน่ากลัวมากนางจะกลับมาทำร้ายพวกเราอีกไหมจ๊ะหลีชิงผิงนิ่งเงียบไปครู่หนึ่งแต่งงานมาสิบกว่าปีนางก็อาศัยอยู่ในหมู่บ้านนี้มาสิบกว่าปีไม่เคยจากไปไหนเลยเมื่อก่อนหิวซูเฟินเคยไปเยี่ยมโจเจี้ยนเย่ที่กองทัพ นางเองก็อยากไปแต่กลับถูกนิวซูเฟินด่าท่อกลับมาชาวบ้านบางคนก็ชอบนินทา ว, ว่าโจเจี้นเย่ซุกซ่อนหญิงสาวชาวเมืองไว้ที่กองทัพนาไม่เคยเชื่อเลยแต่มาถึงตอนนี้จะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ไม่สําคัญอีกต่อไปแล้วส่วนบ้านเดิมของนางนั้นให้ความสําคัญกับผู้ชายมากกว่าผู้หญิงจึงไม่มีความจําเป็นต้องกลับไปหมู่บ้านแห่งนี้นางอยู่จนพอแล้วหวานเอ๋อลูกอยากจะย้ายบ้านหนีไปจากที่นี่ไหมนึกไม่ถึงว่าหลีหวานจะพยักหน้าทันที อยากจ้าสิ่งที่หลีชิงผิงพูดตรงกับสิ่งที่หลีวันคิดไว้พอดีแม่จะตอนนี้พวกเรามีเงินแล้วจะไปอยู่ที่ไหนก็ไม่อดตายหรอกจ้าแต่ตอนนี้จะไปที่ไหนก็ต้องมีหนังสือแนะนําตัวพวกเราจะออกจากหมู่บ้านได้อย่างไรละ่ะไม่แน่ว่าคุณอาทหารคนนี้อาจจะมีวิธีน่าจะอินทอนธนูของเขาเป็นแบบสองขีดสามดาวเป็นเจ้าหน้าที่ระดับผู้พันการที่เขาอยู่ที่บ้านเราคุณยาต้องไม่กล้ามาหาเรื่องแน่นอนรอตอนที่เขาจะไปพวกเราก็ไปพร้อมกับเขาเลยจ้า เรื่องหนังสือแนะนําตัวเพื่อออกจากหมู่บ้านชายผู้นี้น่าจะช่วยพวกนางจัดการได้ฝนตกหนักต่อเนื่องไปจนถึงกลางคืนกะละมังที่ใช้รองน้ําฝนที่รั่วนในบ้านต้องเปลี่ยนไปหลายรอบจนกระทั่งเช้าวันรุ่งขึ้นดวงอาทิตย์ก็ลอยเด่นอยู่บนฟ้าลีหวานป้อนน้ําผู้วิญญาณให้ชายผู้นั้นอีกครั้งต้องยอมรับเลยว่าร่างกายของชายผู้นี้แข็งแรงมากบาดแผลหนักหนาขนาดนี้เขาก็ยังฟื้นขึ้นมาได้แล้วลีชิงผิงต้มไข่ไก่ฟองเดียวที่มีอยู่ในบ้านให้ลูกสาวเมื่อเห็นว่าชายผู้นั้นฟื้นแล้ว นางจึงตัดใจหักโว้วโถที่นางจะกินแบ่งให้เขาครึ่งหนึ่งสายตาที่ระแวดระวังและดุดันของเจิ้งหยุนฉงจับจ้องมาที่หลีชิงพิงจากนั้นเขาก็สำรวจสถานการณ์รอบๆและพยายามจะลุกขึ้นนั่งแต่ความเจ็บปวดรุนแรงที่หัวไหล่ก็แล่นเข้ามาจนเหงื่อยเย็นผุดปลายเต็มหน้าผากคุณอย่าเพิ่งขยับเลยค่ะหลีหวันเตือนที่นี่คือบ้านของหนูปลอดภัยมากจะ้ะกลิ่นไอรอบตัวของชายผู้นี้เย็นเยียบแม้จะบาดเจ็บถึงเพียงนี้แต่เขาก็ยังเหมือนกับพยักษ์หนุ่มที่ได้รับบาดเจ็บ เจิ้งหยุนชงตระหนักได้ว่าเขาได้รับความช่วยเหลือเขาอ้าปากออกเสียงที่เปล่งออกมาจากลําคอแหบพร่าอย่างยิ่งขอบคุณลีชิงผิงส่งสัญญาณให้เขากินอะไรเสียก่อนเจิ้งหยุนชงไม่ได้เกรงใจเขาเคี้ยววัวโถที่แห้งกระด้างเพื่อให้อิ่มท้องเพียงแค่ครึ่งวันเจิ้งหยุนชงก็รับรู้สถานการณ์ของสองแม่ลูกซึ่งส่วนใหญ่เป็นเพราะหลีหวานตั้งใจเปิดเผยออกมา เด็กน้อยมักจะไม่ถูกสงสัยว่ามีเจตนาแอบแฝงและมันช่างประจบเหมาะเหลือเกินที่เจิ้งหยุนชงรู้จักโจเจี้เย่ชายผู้นี้ขาดการติดต่อไประหว่างปฏิบัติภารกิจจริงๆแต่บางทีภารกิจอาจมีการเปลี่ยนแปลงโจจี้เย่ยจึงจำเป็นต้องปล่อยข่าวว่าเสียสละออกไปโจเจี้เย่ยดูเป็นคนไม่มีปัญหาอะไรนึกไม่ถึงเลยว่าชีวิตความเป็นอยู่ของภรรยาและลูกสาวของเขาจะลําบากถึงเพียงนี้นอกจากนี้ในเมื่อคนตระกูลโจได้รับจดหมายแจ้งข่าวความปลอดภัย ที่โจวเจี้ยนเย่ยส่งกลับมาแต่กลับไม่บอกสองแม่ลูกหลีชิงผิงแถมยังบีบบังคับให้พวกนางอย่าร้างอีกมาเถอะจะในบ้านไม่มีของอร่อยอะไรกินแก้ขัดไปก่อนนะมือเที่ยงหลีชิงผิงต้มมันฝรั่งเจิ้งหยุนชงจ้องมองมันฝรั่งในมืออย่างใช้ความคิดครู่หนึ่งเขาก็เงยหน้าขึ้นมองสองแม่ลูกอันที่จริงทั้งสองคนหน้าตาคล้ายกันมากเพียงแต่ทั้งคู่ผอมโซจนผิดปกติมองปราดเดียวก็รู้ว่าปกติขาดสารอาหารโดยเฉพาะเด็กสาวคนนี้อายุสิบสองาปีแต่กลับดูเหมือนเด็กเจ็ดปดขวบเท่านั้น ลิวานพยายามนึกทบทวนเนื้อหาในหนังสือต้นฉบับแม้จะไม่มีการแนะนำเกี่ยวกับเจิ้งหยุนชงมากนักแต่หากเขาไม่เกิดอุบัติเหตุในอนาคตเขาจะได้เป็นผู้บัญชาการที่อายุน้อยที่สุดในเขตทหารและมีอนาคตที่รุ่งโรจน์อย่างยิ่งลหวานไม่ได้พูดอะไรอีกเจิ้งหยุนชงพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านของพวกนางเมื่อแผลเริ่มหายดีเขาก็เตรียมตัวจะกลับไปสำหรับผู้มีพระคุณที่ช่วยชีวิตทั้งสองคนนี้เจิ้งหยุนชงต้องการจะตอบแทนพวกนางขอเพียงเป็นสิ่งที่เขาทำได้เขาจะทำให้อย่างแน่นอน